เดละถีที่สมัยนั้นคนทั้งหลายก็เป็นครูทั้งหกไงครูทั้งหกคล้าๆกเป็นศาสนากันอย่างทุกวันนี่ก็คงจะเป็นห้าศาสนาอย่างเมืองไทยของเราแต่สมัยนั้นก็คงจะเข้มข้นกว่านี้แต่ละคณาจารย์ก็เข้าไปหาเศรษฐีอัตนาจะให้ถึงกับได้ห่อเฮินเดินฟ้าเอ า, เอาลงมาให้ซะดีๆเศรษฐีเอ้ยไม่ได้ พอได้ตั้งได้พูดไปแล้วไปแก้กรอมยังไงก็ไม่ยอมอ่าเพระนั้นไม่มีลิธิใช่ไหมแต่ก็อยากจะได้แบบใช้ปัญญานกลิ้นสาริกาแก้กรอมเอาได้ก็ใช้วาธะแลก็คงจะเอาให้เศรษฐีปลดตงมาให้ง่ายๆลักษณะอย่างนั้นแต่เศรษฐีเนี่ยไม่เอาแต่นี้พระอ่เป็นโทตรัตชะ ท่านอยู่บนภูเขาอยู่ในถรร้ำท่านก็มีอิอทธิฤทธิ์ใช่เหาะเหินเดินฟ้าได้แต่ในพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้บัญญัติวินัยวินัยบัญญัติยังไม่มีพระปิณโทธ ร, รวัชชะท่านก็ทราบโดยยาณวิถีของพระองค์พระอ ง, องค์ท่านเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แตกฉานในปฏิสัมพิทายาน แล้ท่านก็กเอเดี๋ยวคนทั้งหลายก็จะว่าในโลกนี้ยังไม่มีอะไระเราควรจะไปเอเอาบาดไปนั้นออพอว่าดเท่านั้นท่านก็ออกจากถ้ำของท่านนะบินธบาทฉันเสร็จแล้วท่านก็เหาะเลยพอเหาะเสร็จแล้วท่านเอาตีนของท่า น, นลองเท้าของท่านเนะี่ยหนีบหนีบก้อนหินก้นถึงบ้าใหญ่เหมือนกันะ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 เฮโลกันเข้ามาสนันวันไหวถึงพ uh huh. ระพุทธองค์รู้ว่าเอ๊ะเสียงอะไรนะบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์ใหม่ของพระปินโธทารทรวัชชาเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีเข้ามากราบมาไหว้ปินโธทา ร, รวัชชาเพราะท่านไปแสดงฤทธ์ไปเอาไม้จันบนยอดไม้ไผ่บนลำไม้ไผ่ที่เศรษฐีเขาตั้งเอาไวนะ้ พระพุทธองค์บอกอืมเอาเรียกปินโรมานนี้พอปินโธก็เข้ามาพอเข้ามาแล้วก็รปชุมสง่งเรียกประชุมสง่งพอประชุมสง่งเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพิกสุไดก็าตามแสดงอิทธิฤทธิ์เหอเหินเดินฟ้าแสดงอิทธิฤทธิ์ให้แก่กับใครฟังให้ใครดู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 จากนั้นพวกเดรถีอท้องนอกศาสนาเขาก็จับประเด็นนั่นน่ะออกมาโจมตีอีกเห็นไหมขนาดลูกศิษย์ส ม, มณะโครมพระพุทธเจ้าไ ป, ไปเอาบาตเหาะเหินเดินฟ้าใดไปเอาบาดมาพระพุทธเจ้ายังตำหนี่นั่นน่ะพวกเราเนี่ยเห็นรู้แล้วว่าทําอย่างนั้นมันไม่ถูกพวกเราจรึงไม่ทํอาอพวกเดรถีกหาทางออกเหมือนกันนะไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ คนเรานะมันทิฏฐิมานะแต่ความเห็นนี่ไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธองค์ก็รู้ว่าพวกไดเทีเหล่านี้มันมันยังก้าวเล้าอย่างนั้นอยู่แต่นี่ก็พระพองค์ก็บอกว่าจากนี้ไปาสามเดือนแลหนึ่งเดือนหลวงพ่อก็จะไม่ชัดเราตถาคตจะแสดงอิทธิฤทธิ์เท่นี่บอกเลยนีพระพุทธองค์จะแสดงเองเทนี่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 แสดงฤทธิ์ขาวนั่นละเรืองลือไปทั่วในจักรวาลเลยพอแสดงเสร็จแสดงฤทธิ์เสร็จพระองค์ก็ขึ้นไปจำบรรษาบนชั้นดาวดึงษ์ไปโปรดพระมารดาบนชาว ด, ดาวดึงษ์ถึงสามเดือนจากนั้นพระองค์จะได้เสด็จลงมาที่เมืองสังกัสรนาคร น, นี่แหนะละความเป็นมาของอิทธิฤทธิ์กว่าอิทธิฤทธิ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 เขาถามว่าเนะี่ยคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าตอนนั้นนะกระเป๋าซ้ายตอนนั้นกระเป๋าขวาทอนนี้นนะแล้วคุณมีเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้นะเออพายกระชิปจะบอกแต่คนนี้ก็าบอกตามที่พายกระชิปที่หูนะนะั่นแหะเออตรงทุกอย่างเลยเจนะี่โอ้โหเหมือนกับตาเห็นเลยเจนะี่นี่แหละยอมรับแต่ให้ทายไปอนาคตไม่ได้นะเจนี่หัวจะออกตัวไหน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 ถ้าหาว่าถ้าคิดอย่างนี้จะเป็นบาปอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นจะเป็นบาปอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนั้นจะเป็นบาปอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้จะเป็นบุญอย่างนั้นท่านพูดไว้หมดท่านีนว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปัปปะก็ว่าให้คิดใ ห, ให้ถูกให้เป็นธรรมอันนั้นมีแต่ความสาภัสกมีแต่ความเจริญนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา enjoying.